คำว่าโยคะคำว่าโยคีคำว่าวิปัสนาคำว่ากูรูเดี๋ยวนี้ชาวตะวันตกรู้จักเป็นเรื่องธรรมดาและแนวโน้มของโลกรูอเทรนด์ของโลกเดี๋ยวนี้สมาธิโยโเคะออร์แกนิกฟูด้ดทำไมโลกถึงโน้มน้อมมาทางนี้ก็เพราะว่าโลกเกิดไม่เกิด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 องท่านเป็นแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณของคนของโลกเพราะองท่านนั้นถึงพร้อมด้วยความรักความรู้ความเอ็นดูและปรีชาญาณรงค์ท่านบอกว่าศาสนาของอัตมานั้นง่ายมากศา ส, สนาของอัตมาภาพนั้นก็คือความรักฉะนั้นเราทุกคนมาถือศาสนาเดียวกันกับอัตมาได้ความรักค m p a s s i o n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 ทำอย่างไรเราจะส่งเสริมให้โลกของเรานี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยมยติตรใจและมิตรภาพเราต้องกลับม า, าธรรมะ <c oughs> ธรรมะก้อหนึ่งซึ่งอาตมาภาพชอบนำมาเล่าบ่อยๆก็คือเรื่องของพระเจ้าทีคิติโกสนเรื่องมีอยู่ว่ามีนครอยู่สองนครนครหนึ่งปกครองโดยพระเจ้าทีคิติโกสน นครหนึ่งปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของมหานครที่มั่งคัง่งเป็นรัฐมหาอำนาจในครั้งโบราณกาลพระเจ้าทีคีติโกศนราชาเป็นพระราชาของเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นประเทศชายขอบของรัฐมหาอำนาจของโลกคล้ายๆไทยแลนด์ ภูตานอะไรอย่างนี้เป็นประเทศเล็กๆพระเจ้าฟารานาสีนั้นก็เป็นเหมือนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นพี่เบิ้มมหามนาแต่ไม่ว่าจะร่ํารวยยังไงก็ตามนะพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอในพระราชอำนาจพระอยังคงเฝ้าฝันถึงการครอบครองโลกทางโลกอยู่เสมอ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 แต่ถึงกระ น, นั้นพระเจ้าทีริติโกศลก็รบนะพระพรทองค์ทรงมีขติยามานะคติยามานะก็คือความสำคัญมันหมายว่าเราก็กษัตริย์เขาก็กษัตริย์จะให้มายอมกันง่ายๆได้ยังไงทั้งสองนครจึงต่อยุดกันข้ามวันข้ามคืนไพร่พลและก็ประชาชนรากแยกล้มตายเกลื่อนกละพระเจ้าทีริิโกศลกับพระชายา ซึ่งเวลานั้นกำลังทรงคันอ่อนๆเห็นว่าสู้ไปก็แพ้จึงตัดสินพระทัยทิ้งพระราชวังและประชาชนของพระองค์หนีไปตายเอาดาบหน้าพระเจ้าพรหมทัตยึดเมืองได้ง่ายๆแต่ก็ต้องเสียไพ่ผลไปพอสมควรทั้งสองพระนคร พระเจ้าดีกิติโกศลนั้นทรงหลบลีหนีราชภัยไปอยู่ชายแดนปลอมเป็นชาวบ้านอยู่ที่โรงช่างหม้อทุกวันนี้ถ้าเราไปอินเดียนะเราก็จะเห็นบ้านที่เป็นบ้านนายช่างหม้อทําหม้อขายเยอะแยะพระองค์ก็ทรงหลีภัยไปปลอมปนอยู่ในหมู่ชุมชนชาวบ้านเป็นช่างหม้อคนหนึ่ง และตรงนั้นเองที่พระชายาของพระองค์มีประสูติการพระอรรถพระราชทานชื่อว่าธีคาวุกูมารต่อมาช่างกระบกคือนายช่างทำผมส่วนพระองค์นะซึ่งลีภายมาด้วยกันอดอยากปากแห้งจึงนำความรับแห่งชาติไปขายว่าค้นพบที่ซ่อนของพระเจ้าที่คิติโกสน เนี่ยคนรักกันเนาะคนรักกันทำกันนี่มันเจ็บนะเอากําลับไปขายก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งพระเจ้าพระมทัพ์ส่งคนมาตามจับพระเจ้าทีคีติโกสนและพระชายาเธอสั่งให้กล่นผมตีตรวนใส่ในกรงขัง แห่ประจานเพื่อไม่ให้บ้านน้อยเมืองใหญ่เนี่ยเอาเป็นเยื่องอย่างใครกล้าเหือกับพาลนาสีต้องเจออย่างนี้และเมื่อแห่ประจานจนถึงที่สุดแล้วก็รับสั่งให้ประหารประหารอย่างโหดเห็นยมถ้าเห็นชาติมากน้องน้องจินสีห้องเต้ให้ห้าม้าแยกเรา ทีคารุกุมาร น, นั้นแอ บ, บเดินตามเสด็จพ่อไปห่างๆระหว่างที่ทีคารุกุมานแอ บ, บเดินตามเสด็จพ่อไปห่างๆนั้นพ่อต้องการจะสอนลูกซึ่งเป็นปริชาญาณที่สําคัญมากเป็นโยคะทางวิญญาณพ่อบอกว่าที่คาวุเอ๋ยอย่าเห็นแก่การยาว จะเห็นแก่การสั้นรักยาวให้บันรักยัน่นรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อพ่อกับพูดออกมาอย่างนี้ขณะที่อยู่ในกรงขังนั้นทหารที่นำพระองค์ไปแห่เนี่ยก็คิดว่าสงสยัยพระราชาแก่คนเนี้คงเผ้อแล้วพูดอะไร ฟังไม่ได้เรื่องเลยรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนี่จะแกมเพออะไรออกมาหารู้ไม่พระองค์ทรงต้องการสารแห่งสันติภาพให้แก่พระโอรสองค์เดียวของพระองค์ที่คำวุเอย๋ยรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อพูดเพอไปเพ้อไปร้ อ, ไองไห้สยายผม จนครั้งเขากลันผมหมดสิ้นก็ยังเผ้ออยู่บนตะแหลงแกงคือลานประหารก่อนจะประหารก็ขอพูดขอยกมือข้าขอพูดอะไรเพชรชกรก็บอกเอา้าตาแกวันนี้มันวั น, น, นสุดท้ายของแกแล้วจะพูดอะไรก็พูดที่ข้าผู้เอ๋ยอย่าเห็นแกยาวอย่าเห็นแก่สั้นรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อพูดเสร็จ เงียบพร้อมให้ประหารทางพระชายาเธอด้วยที่กำลังอยู่ในหมู่ชนที่พากันมามองดูการประหารครั้งสําคัญในคราวนั้นด้วยและถอดรหัสสมเด็จพ่อได้แต่ถึงแม้จะถอดรหัสสมเด็จพ่อได้แต่เนื่องจากโรงยังทรงยาวไวเหลือเกินมันก็เป็นแค่ความจํา ไม่ใช่ความเข้าใจพระองค์ยังสุมไฟแค้นนั่นอยู่เต็มหัวอกและเฝ้ารอเวลาไปเรียนศิลปะการเดดเพนให้ไพเราะเพราะพริง้งคือถ้าไปเดี๋ยววอยก็หันสี่คนขึ้นท่อนแรกหันสี่คนนะเอ อ, โ, อโหมีฝีมือการร้องการเดดเพนที่ไพเราะระดับ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 เขาเรียกว่าไปตะพุ่นย่าช้างนะไปทอดย่าให้ช้างกินเนื่องจากคนมีฝีมือไปอยู่ไหนก็รุ่งคนมีฝีมือนี่เก่งเรื่องเดียวก็รุ่งเหมือนของจื้อบอกถ้าให้ข้าพเจ้าไปอยู่คลงังคลังหลวงก็ต้องเต็มไปด้วยเงินปราถ้าให้ข้าพเจ้าไปเลี้ยงหมาม้าก็ต้องอ้วนเห็นไหมคนเก่งไปอยู่ตรงไหนตรงนั้น รุ่งโรจน์ชัตนาที่กบุกกุมมาเนี่ยไปทําหน้าที่ตักพุ่นย่าช้างอยู่ในโรงช้างหลวงเพราะว่านายหัดชัดจาย์คือควานช้างก็ชอบช้างก็รักนะทอดยายให้ช้างกินอาบน้ำให้ช้างแต่ละวันพอว่างๆก็หยิบเพินขึ้นมาเล่นเย็นวันหนึ่งหยิบเพินขึ้นมาบรรเลงเราก็ขับด้วยเสียงเพลงขับนั้นก้องกลางวันเข้าไปถึงพระราชฐานชั้นใน พรเจ้าพรมทัตก็าถามว่าใครดีดพินและขับร้องไพเราะเหลือเกินไปตามมาสิเสียงขนาดนี้มันรู้ไปไม่ทองคำนะไม่งั้นก็เดวิสไม่งั้นก็อินเดียนก็ทาเล์นไปสักเวทีหนึ่งก็ไปเรียกมาเรียกมาหนึ่งแล้วก็ให้เล่นให้ฟังปรากฏว่า คืคาบุกุมานนั้นเฟมเมอร์ดีมากพระราจะโรดมากโรดกล้าวให้เลื่อนตำแหน่งจากนายตะพุ่นย่าช้างขึ้นมาเลยมาเป็นมห า, หาเล็กอยู่ในวังหลวงแล้วไม่ต้องทำอะไรดิดพินและขับร้องให้ฝังก็พอหลังจ า, าทร่งเงานเหนื่อยมาตลอดทั้งวันตอนเย็นเย็นเมื่อถึงเวลาสเสวยพระกยายหันค่ำ ทีคาวุกุมารก็เล่นเล่นพินแล้วขับร้องให้ฟังพระองค์ก็สรงสํำราญบานพระไถยมาเลื่อนจากมหาเล็กด็ดพินนะขึ้นมาเป็นต้นห้องเลยต้นห้องก็คือประจําห้องบรรทมอ่ะนะทรงเข้าหลับส่งเข้านอนเนี่ยนะที่ขาวุกุมารได้ทำหมดเลยก่อนจะนอนก็ไปเช็คความเรียบร้อยของเตียงบรรทมตื่นนอนก็เช็คความเรียบร้อยของเตียงบรรทมถวายน้ําสง ตามเสด็จไปทุกหอนทุกแห่งเรียกว่าตำแหน่งนี่ขึ้นเร็วมากรวดพรวดเลยทีเดียวเห็นไหมต่อมามีอยู่วันหนึ่งที่ขาวุก็คิดว่านี่เราก็เข้ามาถึงห้องบรรทมแล้วไกลจนไม่มีใครใกล้ได้มากกว่านี้แล้วเอาละในเวลาชำระแคนให้พ่อแม่แล้วมันต้องตาต่อตาและฟันต่อฟันความแค้น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 หลุดเข้าไปในป่าดงเด็บไม้ใหญ่ไพรระหงสูงตรงานเงียบเก็บแทบไม่มีเสียงนกเสียงกาแต่มีความสดชื่นรื่นเย็นของน้ำตกเท้าเธอนั้นทรงเหนื่อยมากเมื่อมาไกลเหลือแสนถามทีคาวุวเมื่อไรเราจะค้นพบทางออกทีคาวุ ก, ก็บอกว่าร่องพักก่อนเถอดเดี๋ยวหม่ำฉันจะไปหาทางออกมาให้ระหว่างนี้เท้าเธอ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 ซึ่งเหน็บมาด้วยเงื้อพระแสงขันชัยสีที่สืบมาแต่สมัยสมเด็จพ่อนะออกมาจากชายพวกเงือขึ้นมาแล้วจะเชื่อพระสอพอเงื้อขึ้นมากาลังจะเชื่อนะคำสอนของสมเด็จพ่อก็ลอยมาเข้าหูที่ขา ว, า, าวุอย่าเห็นกรยาวอย่าเห็นกรสั้นนะลูก รักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะลูกนะพ ค, คิดขึ้นมาได้อย่างนี้ปั๊บทำไม่ลงรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเน็บเน็บพระแสงไว้ผ่านไปห้นาทีจิตมันสอนจิตอีกแล้วว่าเง้าโง่โอกาสดีอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนถ้าแกไม่ทำตอนนี้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 คุณภาพหนึ่งเป็นเทวาและคุณภาพหนึ่งเป็นสาธานนักบุญและคนบาปอยู่ในตัวเราธรรมะและอาธรรมอยู่ในตัวเราเราต้องฝึกจิตฝึกกายฝึกใจให้ธรรมะยึดครองพื้นที่ในจิตใจของเราให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเราปล่อยเอาไว้อาธรรมก็จะครอบครองพื้นที่ในจิตใจของเราฉะนั้นธรรมมาธรรม ะ, รมะสงครามนั้นอยู่ในใจเราที่ขาบุกูมานก็เหมือนกัน ในพระสสงขันรอบที่สองแล้วจิตฝ่ายอาธรรมซาตานมันก็สอนอีกว่าไอโง่เอ้ยแกก็เห็นไม่ใช่หรือว่าเขาทำกับบ้านกับเมืองแกยังไงสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ของแกน่ะลำบากขนาดไหนเป็นเจ้าอยู่ดีๆตอนนี้ต้องพลัดท่นาคาที่อยู่เนี่ยถูกเขาฆ่าเขาแกงเจ็บช้ำน้ำใจร้องไห้น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือด จาเสียทั้งพ่อจะเสียทั้งแม่เสียงทั้งเสียทั้งตระกูลวงพงษาทัพที่นาคาที่อยู่และตอนนี้ประชาชนของเจ้าก็เป็นทาสเขาก็มีเจ้าคนเดียวที่จะชำระแขนได้ถ้าเจ้าไม่ทำแล้วใครจะทำและต้องทำตอนนี้ now or never นี่มันมีมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะ <t ries> ที่กาวุกก็คิดหนักอะเพราะจิตได้สำนึกมันมันรบกันอยู่ยิดพระสังขันเสีขึ้นมาครั้งที่สามเงืออีกกำลังจะเชื่อคำสอนสมเด็จพ่อก็มาแล้วลูกเอ๋ยอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะลูกนะ ขณะที่กําลังเงือครั้งที่สามและจิตได้สํานึกฝ่ายดีฝ่ายชั่วกําลังรมรานพันตูนั่นเองนาทีนั้นพระเจ้าพรหมทัตฝันร้ายพระองค์ทรงสุเบนว่าถูกศัตรูโมปัจจามิตรไล่เข็นฆ่าราวีและกําลังเงือดาบจะบันพระสวพระองค์อยู่นาทีนั้นแล้วพระองค์สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาเห็นทีขาวุเงือพระแสงค้างอยู่ ตกใจมากตะโกนถามมาพ่อพ่อจะทำอะไรนี่เราฝันร้ายมากเลยนะทีคารุก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้ฝันหรอกมอมฉันจะบันพระสอพระองค์อยู่นี่แล้วเอา้าแล้วนี่มันเรื่องอะไรทีคารุ ก, ก็เล่าว่าขออภัยเถิดมหาบาพิตรแท้ที่จริงมอมฉันไม่ใช่นายแต่พุ่นย่าช้างธรรมดามอมฉันคือราชโอรสของพระเจ้าทีคีติโกสน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 หมายความว่าไงอ่ะรักยาวก็หมายความมาถ้ารักจะจองเวรกันยาวๆทุกภพทุกชาติไม่จบไม่สิน้นก็บั่นเลยถ้าหม่อมฉันบันพระสอัของพระองค์พระองค์ก็คงจะผูกอาฆาตตามมาราวีเป็นเจ้ากรรมนายเวรหม่อมฉันไปทุกภพทุกชาติห่วงโซ่แห่งเวรและกรรมของเราทั้งสองคงจะไม่จบไม่สิน้นและคงจะยืดยาวออกไป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 ส่วนดักสั้นให้ต่อ น, นั้นสมเด็จพ่อค้องหมายใจว่าถ้ามอมฉันกับพระองค์อยากให้เว้นให้กรรมระหว่างคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เหมือนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของโรเมโอและจูเลียสให้มันจบจ บ, จบลงก็ให้เดทต่อกันไายบัดนี้หมอมฉันตัดสินใจแล้วมอมฉันจะบั่นความแค้นและจะต่อไมตรีกับพระองค์พระองค์จะออกวีซ่าไมตรีให้หมอมฉันไหม พ่อพระเจ้าพระมรัตได้เย็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยสมแล้วที่เธอเป็นลูกปราราชบันฑ็จพ่ออยากมีลูกอย่างเจ้าสักคนหนึ่งที่ดาของพ่อก็ยังไม่ออกเรือนเอางี้มาเป็นลูกของพ่อเถอะแล้วพ่อจะลืมเส่าว่าวันนี้ลูกกำลังจะทำอะไรพ่อขอพระราชทาอภัยโทษให้เจ้าที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถึงสามครั้งสามคน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 อันเป็นสิทธควรได้ของทีคารุราชุกมันและต่อมาเมื่อพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนทีคารุก็กลับมากินตำแหน่งเจ้าเมืองพาราณสีซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอีกตำแหน่งหนึ่งอันนี้คือผลของการปล่อยวางความแค้นทำให้ทีคารุราชุกมันประสบความสำเร็จอย่างเชิดที่พระองค์ก็คาดไปไม่ถึง เราลองจินตนาการในทางกลับกันว่าถ้าทีฆาวุกุมารไม่ฟังคำพ่อบรนคอพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตก็ต้องแขนและออกไปก็ต้องเจอกับนายทหารราชองครักษ์ทีฆาวุราชกุมารก็จะถูกโปรงพระชนแล้วก็จะต้องชิงชังข้างแขนกันสื่อไปไม่จบไม่สิ้นเรา มีเสร็จที่จะเลือกให้นาวาแห่งชีวิตของเราหันหัวไปหาฝั่งแห่งความรักไมตรีเจตเมตตาภาสันติภาและสันติสุขก็ได้หรือเราจะเลือกให้นาวาแห่งชีวิตของเรานั้นหันหัวไปทางความเกลียดชังความแบ่งแยกความใจแคบความ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 แทบไม่เคยโจดคือทางสายกลางเลยนะเราแทบไม่เคยพิยจารณาโจดคือทางสายกลางเลยสมเด็จพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนทางสายกลางทางสายกลางคือยังไงอ่ะคือทางที่พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นองรวมการที่ทีาคารุ้แขนไม่ใช่เพราะว่าเกิดมาก็แขนเลยเนลสันแมนเดลาบอกว่าการที่เราจะเกิดใครคนใดคนหนึ่งนั้นเราต้องถูก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 แต่เราต้องมีทักษะในการเลือกเราต้องติดตั้งโปรแกรมในการเลือกนั้นไว้ในจิตในใจของเราสัก่อนอะไรคือโปรแกรมที่ว่านั้นโยคะภาวนาโยคะภาวนาคือการเจเริญสติเราต้องมันเจเริญสติบ่มพ่อเมล็ดพันธุ์แห่งสติขึ้นมาในจิตในใจเราพอเมอพอเรามีเมล็ดพันธ์แห่งสติในใจเรา แล้มันได้ลดน้ำผ่เดินทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันด้วยโยคะภาวนาพอเราเรียนโยคะเนี่ยเราเจริงสติใช่ไหมคุณคุณไม่มีสติเนี่ยโยคะก็ศูญเปล่านะโยคะแยกออกจากสติไม่ได้เมื่อคุณยกมือยกไม้าเหยียดมือเหยียดเท้าถ้าคุณไม่มีความรู้ตัวคุณไม่มายโฟนสคุณไม่มีความตื่นเต็มตัวอยู่ในนั้นโยคะเป็นได้อย่างดีก็แค่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 เมื่อองค์ดาลัยลามะถูกไล่ต้อนจนต้องลีภัยออกมานักข่าวต่างประเทศไปจอไม่สัมภาษณ์พระองค์ท่านว่าใต้เท้าในคืนวันที่พระองค์ถูกไล่ต้อนจนต้องหลบหลีภหนีภัยสงครามออกมานั้นพระชวงศ์คาร์ของพระองค์เสียชีวิตทั้งหมดทหารของพระองค์ที่ตามมานั้นเสียชีวิตทั้งหมดเขาส่งพระองค์พ้น พรมแดนแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศโลกที่สามได้สำเร็จทุกคนกลับไปเพื่อปกป้องพระองค์มีพระองค์รอดคนเดียวถามน่อยเถิดว่าในคืนวันเช่นนั้นพระองค์กลัวไหมพระองค์ตอบว่าคุณเราก็คนนะทำไมเราจะไม่กลัวนะักข่าวคนนั้นสีหน้าผิดหวังนิดหน่อยเขาไม่คิดว่าพูทนนาทางจิตวิญญาณระดับโลกจะกลัวตายพระองค์ท่านกลัวตายด้วยหรอ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 แล้วลุกฮึดขึ้นมาว่าวันนี้แกยามฉันได้แต่วันหน้าไม่ใช่มีซูเปอร์สตาร์กี่คนของโลกแล้วที่ประสบความสำเร็จเพราะถูกตันแกล้งเกลียดชังโดเมนศักดิ์ศรีฉะนั้นเราควรจะรักศัตรูเพราะศัตรูนั้นเป็นครูฝึกชั้นยอดของเรานะองค์ดาลลาลามาท่านสอนว่ากลัวสิแต่ไม่ได้กลัวตายกลัวว่าจะควบคุมหัวใจตัวเองไม่ได้ กลัวจะรักัตกลัวจะโกรธศัตรูเราต้องไม่โกรธศัตรูเพราะศัตรูนั้นเป็นครูของเราและเมื่อพูดถึงที่สุดศัตรูไม่ใช่คนที่น่ากลัวที่น่ากลัวคือความไม่รู้ซึ่งแฝงและฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเราทุกคนนี่สิเพราะเกิดมาเป็นคนเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมโดยสัจธรรมพื้นฐานมนุษย์นั้นรักกันได้ง่ายมากเพราะเรารักสุขเรากลัวความตายเราเกลียดความทุกข์ใช่ไหม รักสุขเกลียดทุกข์กลัวความตายเป็นศัจธรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราทุกคนฉะนั้นโดยธรรมชาติพื้นฐานมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้โกรธเกลียดชิงชังและทำสงครามต่อกันที่เราทำเช่นนั้นเพราะเราไม่รู้ฉะนั้นเราอย่ากโกรธเกลียดชิงชังคนที่เขาหลงเพลคนที่หลงเพล น, นั่นแหละถ้าได้รับการแนะนำท่าสอนที่ถูกต้องมีครูที่ดีพอเขาเปลี่ยนตัวเองได้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 อันนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในชีวิตของคนเราในชาดกมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ดีมากชื่อขันติวาทีดาบทนะพระเอกชื่อขันติวัติดาบทดาบทองค์นี้หรือนักบวชองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีขันติธรรมทอร์เรนซ์ที่โดดเด่นที่สุดในแผ่นดินจนเดชาติบรารมีของดาบทคนนี้ เป็นที่เรื่องเลยไปทั่วทั้งแผ่นดินพระราชาได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกว่าดาบดทคนนี้ปล่อยไว้มันจะมาเบียดรัสมยเรามันแสบหูแสบตาเรามันมีชื่อเสียงกว่าเราซึ่งเป็นเจ้าแผ่นดินได้อย่างไงวันหนึ่งจึง ญ, ญาตรัสทับไปหาดาบดทถามว่าดาบดทท่านเนี่ยเรื่องชื่อทางความอดทนดู่ะจะทนได้ไหม ให้ทหารหารจับดาบบทมัดตัดหูตัดจมูกตัดมือตัดเท้าดาบบทก็ยังทนได้สุดท้ายพระราชาบอกเราจะควักหัวใจเจ้าดูซิว่าเจ้าจะยังทนได้ไหมดาบบทก็บอกว่าพระราชาเ อ, อ๋ย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 เวลาถูกดา่าเราเคยเราเคยเปิดโปรแกรมตัวนี้ไหมพอถูกดา่าปุ๊บเราต้องด่าตอบมันเลยเนี่ยโปรแกรมตัวนี้มันมีอยู่แล้วธรรมชาติติดตั้งให้แล้วเวลามันดูถูกเราเราต้องไปค้นโคดเงาสักการะมันมาแล้วแฉมันให้หนักกว่าที่มันแฉเราทำไมเราไม่ทนเวลาที่เราถูกเข้าใจผิดทที่เราจะทนก่อน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 เมื่อดาบดกำลังจะเปิดหูเปิดตาพระองค์ว่าพระองค์กำลังสแสวงหาความอดทนผิดที่แล้วมันอยู่ที่ใจพระองค์ก็บอกถ้าอยู่ที่ใจงันก็ต้องค้นลงไปที่ใจสั่งให้ทรมานดาบดก่อนจะดาบด์จะสิ้นชีวิตถ้าบดทําในสิ่งซึ่งประเสริฐเลื่อนล้ำมากเลยดาบดพูดขึ้นมาว่าพระราชาพระองค์ใดไม่เคยรู้จักเรามาก่อน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 หาจากโรคาพญาธิมีความสดิดเสถียรสำรานในราชบัลลังก์ตราบนานเท่านานเทินนี่พระราชาได้เฟ้าอย่างนี้แล้วโอ้ความเกลียดชังของพระองค์นั้นอันตรฐานเลยพระองค์รู้สึกขึ้นมาว่านี่มันอะไรกันในราชธานีของเราอ่ะยังมีคนที่เปี่ยมไปได้วยความรักถึงเพียงนี้หรือ เราทำถึงเพียงนี้ไม่เพียงไม่โกรธแต่ยังอํำนวยวอวยพรให้เราอีกตัางหากโอ้นี่เราผิดต่อท่านผู้ทรงศีลเหลือเกินพอกลับถึงพระราชวังไม่นานก็ตรอมพระทัยสิ้นใจไปด้วยความรู้สึกผิดเห็นหรือยังเราทุกคนนั้นอดทนได้เราทุกคนนั้นรักคนอื่นอย่างที่เราสามารถ ไม่อาจจะประเมินได้ว่าตัวเองจะรักได้ขนาดนั้นคือรักคนทั้งโลกก็ได้นะแต่สิ่งดีๆเหล่านี้เราไม่ต้องหนากรู้เราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอาละเอาเปรียบแล้วรั้มๆจะมีสงครามกลางเมืองก็หลายครั้งแล้วทอดตามองดูโลกของเราในเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในมือของเรานั้นพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าเกือบจะสูงสุดก็แล้วทําไม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 เขาจะเป็นหน่วยสันติสุขเคลื่อนที่ไปอยู่ใกล้ใครๆก็ทําให้คนนั้นสดชื่นรื่นเย็นก่อนจะลาจากการเขาก็รู้สึกว่าโอ้มีความสุขจังเลยเป็นสุริมงคลจังเลยได้มาอยู่ใกล้ๆคนนี้ทําไมมันดีอย่างนี้ให้ทุกคนที่มาหาเราพูดอย่างนี้ก่อนกลับนะอย่าให้ใครพูดว่าฉันจะจํำมาแล้วคนคนนี้ยมาใกล้ฉันห้านาทีมันพ่นอะไรใส่หูฉันหูดับเลย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 ไปเจอคนพันนี้ได้ไงฉันไม่แน่เชื่อว่ามนุษย์เรามันจะต่ำในขนาดนี้อย่าให้ใครพูดกับเราอย่างนี้ก่อนจบเขาฝากอีกเรื่องหนึ่งเพื่อปลูกความรักลงไปในใจพวกเราทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโยคะอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโยคะอาจารย์คือเป็นอาจารย์สอนโยคะอย่าแค่สอนโยคะ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 และอย่ามาอ้างว่าเป็นสาวกของเราแปลง่ายๆว่าไม่ทําตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์พระองค์ทรงสอนให้เรามีความรักต่อสัพพชิตสรพสัสทั้งคนที่น่ารักและทั้งคนที่เป็นสตูเรื่ อ, องหัวใจที่เสมอกันคือจงรักทั้งคนธรรมดาและจงรักที่คนปองร้าย ด้วยหัวใจที่เสมอกันนั่นคือหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมตตาและไม่ดรีพระองค์ทรงสอนเราว่ามารดารักบนน้อยกรอยใจของตนดังหนึ่งแก้วตาดวงใจฉันใดขอให้เราทั้งหลายมีความรักต่อมวลมนุษยชาติฉันนั้นท้อตามองไปทางไหนให้รู้สึกว่าโลกทั้งโลกนั้นเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน พ่อตามองไปทางไหนก็ให้รู้สึกว่าโลกทั้งผองนั้นเป็นพี่น้องกันใครทำได้อย่างนี้คนนั้นก็เป็นหลักประกรันของสันติภาพโลกเอาละวันนี้พระอาจารย์ใช้เวลาปารกถาพิเศษมาพอสมควรเพราะว่าพระอาจารย์มาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสวดโยคผพรรา